เมื่อเช้าอาจารย์สุรินทร์ได้พูดถึงเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโจวันฟ้านะที่เขียนพินัยกรรมมอบอุทิศเงินนะห้าพันกว่าล้านบาทเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ทำให้นึกถึงเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรวยกว่าโจวันฟ้านะอาจจะเป็นร้อยเท่านะชื่อจจคือวอลเลนบัฟเฟตนะวอลเลนบัฟเฟตนี่ถือว่าเป็น คนที่รวยอันดับต้นๆของโลกนะจะแพ้ก็แต่บริเเกตแกก็อุทิศเงินเพื่อสาธารณประโยชน์นี่ก็เป็นจนํานวนนี่แล้วเป็นแสนล้านนะไม่ได้อุทิศให้หลังตายนะแต่อุทิศให้ค่ะที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศให้กับมูลนิธิบิเเกตนะเพื่อเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่อง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 ปีตเตอร์นี่เขามีชีวิตของเขาเองนะ <g ül> เขาไม่อยากรวยเหมือนพ่อพ่อนี่รวยมหาศาลเลยแต่ว่าเขาไม่สนใจเลยนะไอความร่ารวยแบบพ่อเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปเป็นนักดนตรีแต่งเพลงร้องเพลงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอน า, าคตแค่ไหนแต่เขาก็ทําได้ดีนะจนกระทั่งได้รางวัล น, นะ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 หรือเพียงแค่ว่าซื้อหุ้นตามที่พ่อแนะนำนะ mm hmm. เขาก็จะรวยเร็วตั้งแต่เขาไม่สนใจเลยนะเขาอยากจะทำอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง mm hmm. แล้วก็ทำสิ่งที่เขารักก็เลยแล้เการักดนตรีนะ mm hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะเป็นนักดนตรีตรงนี้ก็ต้องยกให้ยกเป็ น, นความดีของวอลเลมบุฟเฟตด้วยเพราะว่า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 นะอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวมากมายในเมืองไทยนะลูกคนรวยนิสเพูดเส ย, เสยคนไปเยอะกลายเป็นอันตรพานเก่งเมล็ดเ ก, กเลนะนะก่อกวนชาวบ้านนะอาแล้วก็อ่เอาเตรียมรับผ่อน